ก็ด่านในกอมันก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นให้สังเกตอาการทะเลาะวิวาทเนี่ยถ้ามันมีแค่ฝ่ายเดียวที่ด่ด่าด่าด่าแต่อีฝ่ายหนึ่งนงเนี่ยมันก็ไม่สามารถจัดลุกลามเป็นการวิวาทกันได้อันที่จริงแล้วนอกจากการทะเลาะวิวาทแล้วเนี่ยยังรวมถึง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 ภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายนี่มันเอาอยู่ก็ทำให้ถึงแม้ในร่างกายของเรามีเชื้อวัณโรคแต่เราก็ไม่ล้มป่วยนะอันนี้เรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังแต่ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายของเราเกิดอ่อนแอขึ้นมาเชื้อนี่มันถึงจะทำให้เจ็บป่วยได้เช่นเชืเนะี่ยเอนี่มันมาเล่นงานกับภูมิคุ้มกัน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 แม้จะเสียเงินไปเป็นแสนอุตส่าห์ไปถึงต่างประเทศไกลๆก็ตามเคยสังเกต ว, ว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยทั้งปัจจัยสองปัจจัยคือภายนอกกับภายในภายนอกคืออาหารเพลงนะช้อปปิง้งนะกระเป๋าสวยๆนะภายในคือใจที่มันมันเออ อ, อหรือร่วมมือด้วย อาจจะรวมถึงความอยากด้วยก็ได้นะเช่นไปกินอาหารเนี่ยถ้าไม่มีความอยากนะมันก็กินไม่อร่อยการมีการฝืนกินถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารรู้อาหารเหลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านอาหารหลายแห่งเขาก็ต้องมีการกระตุ้นความอยากก่อนนะเช่นให้กินซุปกินอะไรนิดหน่อยเพื่อกระตุ้นความอยากเพราะถ้ามีความอยากแล้วอาหารถึงจะอร่อยนะ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 หลายคนเป็นมะเร็งแต่เขาทำไมยิ้มได้นะันนเป็นเพราะใจเขาเนี่ยนะไม่ไม่ได้ล้มป่วยตามไปด้วยมันป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจเขาเนี่ยนะยังมีสติหรือเขาจะมองว่าเจ็บป่วยนี่ก็ดีนะบางคนนี่ก็บอกขอบคุณขอบคุณมะเร็งเพราะมะเร็งทำให้เขาได้มาพบธรรมะ มีหนุ่มคนนึงอายุยิบเอ็ดนะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดนะลิวคิมเมียที่แรกก็คงทุกข์นะแต่ตอนหลังนี่ก็ตั้งหลักได้เขาไม่ได้ทุกข์ละเขาบอกว่าเหตุผลก็คือเพราะว่ามะเร็งนี้นำสิ่งดีๆมาให้แก่ช่วยเขาหลายอย่างเช่นทำให้เขาได้รู้จักธรรมะป่วยแล้วนี่ไม่มีอะไรทำนอนก็เลยเอาหนังสือธรรมะเพื่อนให้มาก็ลองหยิบมาอ่านดูเออ พุทธศาสนาหรือธรร ม, มะนี่มันไม่ใช่อย่างที่เคยเข้าใจนะก็เลยซาบซึง้งแล้วก็ยังซาบซึ้งในความรักของแม่ของพ่อตอนที่ไม่ป่วยนี่ก็เฮิรนห่างกันนั่งรอพ่อแม่ลูกแต่พอป่วยแล้วพ่อแม่กุศลมาดูแลนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นถึงความทุ่มเทของพ่อแม่ซาบซึ้งมากเข า, อาบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยหรือมะเร็งเนี่ยทำให้เขาได้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 แดดร้อนก็ไม่ทำให้หงุดหงิดใต้นะอย่างที่เล่าไปเมื่อสองสมันก่อนเนี่ยบุรุษไปนีนะทำงานกลางแดดนะรอคนมารับจดหมายแดดร้อนเปลี่ยงเหงื่อเต็มหลังแต่ว่าเขายิ้มได้ระหว่างที่เขารอเขาก็ร้องเพลงไปด้วยเจ้าของบ้านมารับ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 ดาหรือว่าเสียงอแทรกเนี่ยก็ไม่ทําให้งุดหงิดไม่ทําให้เป็นทุกข์นะถ้าหากว่าใจไม่ร่วมมือด้วยเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยพอได้ยินเสียงดังปุ๊บเนี่ยเป็นทุกข์เลยงุนงิดเลยไม่พอใจเลยแล้วก็ไปโทษเสียงแต่ว่าลืมมองไปว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกข์เนี่ยที่งุนงิดเนี่ยเพราะใจมันร่วมมือด้วยหรือมันเปิ ด, ปดช่องให้เสียงนั้นมันมา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 พวกเรานี่เกิดไม่ทันนะหลวงปู่นี่ท่านมารณภาพเมื่อ22ปีที่แล้วนะตอนมรณภาพก็อายุร้อยกว่า101ปีมีเรื่องเล่าว่ามีคราของท่านได้รับนิมนต์ให้ไปฉันเพลในกรุงเทพท่านก็เดินทางจากสิงบุรีนะพอฉันเพลเสร็จก็จะกลับวัดโยมเห็นว่าท่านาชารามากแล้วก็อยากให้พักก่อนก็เลยหาห้องให้ท่านจำวัด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 สวมเกียเกียไม้ไม่ได้สวมรองเท้ายาง น, นะสมัยตมาเป็นเด็กก็ยังได้สวมเกีไม้เลยทั้งบ้านอะสวมเกี้ยไม้หมดเกี้เนี่ยเวลาเดินเนี่ยมันดังมันก็ดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปูป่บุทรดาจําว่าลูกศิษย์ก็ได้ยินก็รําคาญหงุดหงิดนะไม่พอใจพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่าน หับก็จริงแต่ว่าท่านรับรู้ตลอดก็เลยเพลยขึ้นมาเบาวๆว่าเนี่ยเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกีย้ยเขาเองเนะถ้าไม่อาหูไปลองเกีย้ยเนี่ยจะทุกไหมไม่ทุกหรอกเสียงดังก็ดังไปนะถ้าหูไม่ไปลองเกีย้ยใจก็ไม่ทุกนะไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะใจไปร่วมมือด้วยหรือว่า ไปหาเรื่องด้วยนะก็คือไม่มีสติหูมก็เลยไปรองเกียนะมันก็เลยเจ็บหรือทุกข์ใจขึ้นมานั่นเห็นไหมว่าเสียงดังนี่ไม่ทําให้ทุกข์นะเพราะว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนะใจมันต้องร่วมมือด้วยและทําไมใจถึงไปร่วมมือด้วยในเะมื่อทําแล้วทุกข์นะก็เพราะว่าลืมตัวเพราะไม่มีสตินะนั้นเวลา มีใครด่าเราเนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่ได้ยินเนี่ยนะเราทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์นะอันนี้ก็เรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนะด่าแล้วแต่ว่าคนถูกด่าไม่ได้ยินก็ไม่เกิดผลแต่ถึงแม้คนถูกด่าได้ยินนะแต่ว่าทําหูทนลมซะก็ไม่เป็นทุกข์นะได้ยินแล้วนะปล่อยมันผ่านเลยไปนะไม่ถือสา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 โราตอนหนุ่มท่านไปจำพรรษาที่อุบลวันหนึ่งบินธ บ, บาตแต่เช้าเห็นโยมผู้หญิงคนหนึ่งรอใส่บาทนะยืนอยู่กับลูกชายห้าขวบได้ท่านเห็นท่านก็นเลยเดินไปรับบาทเกือบจะถึงแล้วลูกชายเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่ามึงบอแม่นพระดอกมึงบอแม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระ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 พอตลอดเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอความคิดนี้ว่าขึ้นมานี่ความโกรดนี้ดับวูบเลยแล้วท่านก็เดินไปหาแม่ของเด็กลับบาดอย่างปกติแ้ท่านไม่ได้โกรธเลยนะถูกด่าแบบนี้หลายคนโกรธนะแต่ว่าที่โกรธเพราะอะไรเพราะว่าใจมันไปร่วมมือด้วยนะหรือว่าใจมันเปิดทางให้ คำด่านั่นเนี่ยมาทิ่มแทงใจหลวงพ่อพูดเนี่ยภายหลังนี้ท่านก็พูดถึงเด็กคนนี้นะว่าเป็นอาจารย์ท่านนะคนที่ด่าเราถ้าเราไปเอาออหอหมกด้วยนะเราก็เกลียดเขาเห็นเขาเป็นศัตรูแต่ถ้าระวังใจเป็นเช่นมีสตินะใจก็ไม่ทุกข์จำเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับโจรจันใดได้ไหม นะแม่บ้านซึ่งเป็นเจ้านายก็ดา่ดาดา่ดาด่าด่าแต่ทำไมเขาไม่ทุกข์นะเขายิ้มให้ผนมมือด้วยแล้วก็บอกขอบคุณครับนะแต่ทำไมบางคนนะเพียงแค่เพื่อนไม่กดไลค์ให้เนี่ยก็ทุกข์ลนะนีบางคนนะโอ้ต้องเวลาโพสต์อะไรขึ้นไปนี่ จะต้องโทรไปบอกเพื่อนนะว่าช่วยกดไลค์ให้ด้วยกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยเนี่ยเพื่อไม่กดไลค์ก็นั่นก็ไม่ทําทำให้เราทุกข์นะถ้าใจเราไม่ไปร่วมมือใช่เราไม่ไปคาดหวังไอ้ใจที่คาดหวังว่าเพื่อนต้องกดไลค์นี่แหละมันทาให้ทุกข์เลยนะเมื่อเพื่อนไม่กดไลค์ให้มันต้องมีความคาดหวังมีความอยากก่อนหรือว่ามีความยึดมั่นถือมั่น รถติดเนี่ยนะไม่ทำให้เราทุกข์ใจได้ถ้ามันไม่มีความอยากใจะให้ถึงไวัยวถ้าไม่มีความอยากถึงวัวรถติดยังไงใจก็ไม่ทุกข์นะในลองพิจารณาดูเถอนะความทุกข์ใจทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนะกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคนโน้นคนนี้เท่านั้นนะเพื่อนจะพูดไม่เพราะนะแฟนจะ อไม่ดีกับเราหรือทิ้งเราไปด้วยซ้ํานำะหรือว่าแดดร้อนเนี่ยไม่ทําให้ทุกข์ใจได้เลยนะถากว่าเราวางใจไว้เป็นนระพุทเจ้าจึงตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้ด้วยใจนะใจถึงประเสริฐสุดทำทั้งหลายในที่นี้เนี่ยก็รวมถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์ด้วยนะ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 ถ้าเจ็บเท้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ระหว่างที่เราเดินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็บเท้าอย่างเดียวนะมันมีความทุกข์ใจด้วยมันมีความปวดใจด้วยแล้วความปวดใจนั่นก็แสดงออกมาด้วยความด้วยการเช่นโกรธนะด่าว่านะตีโพยตีพายโอดโอยหลายคนก็ยอมแล้วนะเออใช่นะเวลาเดินมันไม่ได้ปวดทางเนี่ยมันปวดใจด้วยแล้วก็วเราจะถามเขาว่า ทำไมถึงปวดใจในเมื่อกรดนี่มันทิ่มแต่เท้ากรดมันทิ่มใจเราหรือเปล่าก็เปล่าแล้วทาไมถึงทุกข์ใจปวดใจนะหรือเป็นข้อใจเราเนี่ยเราปล่อยให้กรธมันทิ่มใจด้วยถ้ากรดทิ่มแต่เท้าแต่ว่ารักษาใจไม่ให้กรดทิ่มเมื่อโกวดไม่ทิ่มใจใจก็ไม่ทุกข์นะเรียกว่าปวดแต่กายนละใจ ปกติใจสงบเย็นหลายคนเนี่ยพอทำใจวางใจได้ถูกนะเออเรามีสติรักษาใจนะผ่านไปสองสาวันสี่วันที่สี่เนี่ยเดินได้บอกว่าความปวดมันทุเลาลงหลายคนก็บอกว่าความปวดก็ยังเหมือนเดิมแต่ใจมันไม่ทุกข์แล้วนะอันนี้เราปวดกายนะแต่ว่าใจมไม่ทุกข์ แล้วเดินแบบนี้ก็เดินได้เรื่อยๆนะนั้นแม้กระทั่งความปวดเนี่ยนะความปวดเนี่ยมันก็ทำอะไรใจเราไม่ได้นะถ้าว่าใจเราไม่ร่วมมือหรือถ้าเราวางใจถูกวางใจเป็นเช่นมีสตินะรู้ทันนะรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นไอ้โทสะหรือความโกรธนี่แหละที่มันทำให้ ใจเป็นทุกข์เพราะมันเผาใจมันมีลักษณะเหมือนไฟที่เผาลน้นถ้าเราดับความโกรธในใจได้นะความทุกข์มันจะลดลงไปเยอะมันก็มีแต่ความทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกขนะ์อันนี้เรียกว่าเพราะอาศัยสตินะมาช่วยดับความโกรธในใจแต่บางครั้งก็จะอาศัยสมาธิก็ได้ เด็กบางคนเนี่ยเดินพาเดินธรรมยาตาเนะีเด็กเก้าขวบนะธรรมยตรานี่เดินกันแปวันนะกลางแดดความขัญนะประจําธรรมยตราคือว่าร้อนแต่กายนะใจสงบเย็นนะเหนื่อยแต่กายใจเบิกบานก็มีเด็กเก้าขวบมากับแม่เดินอย่างเสียไม่ได้นะเดินไปก็บ่นไปนะเพราะมันทุกร้อน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 ถ้าใจเราไม่ร่วมมือไม่มีใครทำให้เราทุกได้นะถ้าใจเราไม่อนุญาตหรือเปิดช่องเปิดทางให้ใครก็จะดา่าใครก็จะพูดอะไรกับเรานะเราไม่สนใจนะมันจะทุกได้ไม้มใครก็จะพูดอะไรกับเรานะได้ยินแล้วก็วางนะจะทุกได้ไหมนะหรือว่า อาจจะมองได้ซ้ำเออมีประโยชน์นะไอคาพูดคาด่าเนี่ยควิจารณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มาช่วยฝึกใจเราให้เข้มแข็งให้อดทนอย่างที่โจนจันได้เขามองว่าคาด่าของหัวหน้าเขาของแม่บ้านช่วยเขากลับมาดูใจของเขากลับมาจัด ก, การความโกรธนะเหมือนกับเป็นการบ้านเพราะนั้นเนี่ยเออดา่ดาด่าไปดา่าไปเขาก็ ไม่โกรธนะเพราะว่ารู้สึกขอบคุณนะที่หันมาจัดได้ได้การบ้านนะมาฝึกจิตฝึกใจของตัวเองมองคนก็มองว่าคำวิจารณ์เนี่ยมันมีประโยชน์นะทำให้เรารู้ว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรบ้างมีพวกเราคงรู้จักเมืองโบราณนะเจ้าของคนก่อนของเมืองโบราณเนี่ยคุณเล็กวิริยพันธ์เคยพูดว่า วันไหนไม่ถูกตาหนิวันนั้นเป็นอัิมงคลนะวันไหนไม่ถูกตาหนิวันนั้นเป็นอัิมงคลบางคนนี่เวลาถูกตาหนิจะรู้สึกว่าวันนั้นวันซวยนะถ้าคิดแบบนี้ใจทุกข์เลยนะแต่ว่าถ้ามองอีกแง่นึงว่าเออํำตาหนิมันช่วยทำให้เราเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้หรือทำให้เห็นว่าทาให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 มันเหมือนกับทุเรียนเนี่ยไอ้คำต่อว่าดาทอคำวิจาร์เนี่ยเหมือนกับทุเรียนทุเรียนมีน้ําแหลมคนบางคนพอเจอ้ําทุเรียนเจ็บทํำยังไงโยนทุเรียนทิ้งเลยนะมันเจ็บเนี่ยคนอย่างนี้โง่หรือฉลาดนะแค่โดนน้ําทุเรียนทิปมือเอาโกรธโยนทุเรียนทิ้ง ไม่ฉลาดเนะเพราะว่าในทุเรียนเนี่ยมันมีเนื้อที่อร่อยเน้นหนาทุเรียนมันจะแหลมไงก็ตามเนี่ยเราต้องอย่าไปสนใจมนมากเราก็ต้องปอกเปลือกเอาน้ำทุเรียนออกนะเพื่อที่จะกินเนื้อที่อร่อยนี่คือวิสัยของคนฉลาดนะเพียงแค่เจอน้นาทุเรียนทิ่มแล้วทิ้งนี่มันไม่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 นี่คือวิสัยคนฉลาดนะและถึงแม้ว่าจะมองหาสาระแล้วไม่ได้เลยเลยนะมันมีแต่คำด่าวล้วนๆมีแต่คำหยาบคายมันก็ยังมีประโยชน์นะเพราะมันทำให้เราได้เห็นสัจธรรมความจริงว่าสารเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันไม่มีใครหนีคำ ตำหนิคำนินทาพน้นแม้แต่พืชเจ้านี้ก็หนีไม่พ้นนะคำตำหนิเขาเรียกว่าโลกธรรมนะโลกธรรมมี8ดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสารเสินนินทาสุขและทุกข์ให้จำา4คู่8ประการนี้ให้ดีนะเพราะว่าเราต้องเจอบ่อยถ้าเราไม่รจักโลกธรรมแนี้เราจะทุกข์ได้ง่ายนะ เวลามีคนชมก็ปลืม้มใจฟูพอเขาไม่ชมนะ่ะนะก็ผิดหวังยิ่งเขาด่าด้วยเนี่ยยิ่งนะเสียอกเสียใจนะร้องห่มร้องไห้อยากตายน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจแต่ถ้าเราตระหนักว่าเออมันเป็นธรรมดาโลกนะคนดีแค่ไหนก็ถูกนินทาแล้วเราจะรู้เราจะเห็นเราจะเข้าใจโลกธรรม8ปดเด้องอะไรก็จาก การที่เจอของจริงนั่นแหละเจอคนวิจาร์เจอคนด่าว่าอันนี้เขากาลังแสดงทำให้เราเห็นนะว่าไม่มีใครหนีคำนินทาพ้นไม่มีใครหนีคำต่อว่าด่าทอพ้นมันเป็นธรรมดาลโลกเป็นเช่นนั้นเองเมื่อเรามองแบบนี้เราก็ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ได้กำไรจากคำต่อว่าด่าทอ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 เราต้องมีภูมิคุ้มกันใจนะไม่ใช่ภูมิคุ้มกันร่างกายเดียวสติเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจที่ทําให้เราไม่ทุกข์เมื่อไม่ว่าจะเจออะไรมากระทบก็ตามนะการรักษาใจที่พวกเรากำลังทําอยู่นี้เนี่ยมันจะถือเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วมันสําคัญมากทีเดียวนะให้มันพยายามให้มันเพียรทำนะมันจะช่วยเราได้ทั้งในวันนี้และวันหน้า อาล่ะชาวเน่ตพูดกันเท่านี้แต่ะ